วันนี้พวกเราจะมาความว่างกันเพราะความว่างเป็นความสุขที่แท้จริงนิบานังปรมังสนยังนิบานังปรมังสุ ข, ขังนี่ยแหละคือความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวร ความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดเพราะตั้งอยู่บนความว่างนี้เองความว่างนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งที่ไม่ใช่ความว่างนั้นเป็นสิ่งที่ชั่วคราวถ้าเราตั้งความสุขของเราไว้กับสิ่งต่าง เราก็จะต้องประสบกับความเสียใจประกบกับความทุกข์ <c oughs> เวลาที่สิ่งที่เราตั้งไว้ให้เป็นความสุขกับเรานั้นเสื่อมไปหมดไปเราจึงต้องเข้าหาความว่างกัน <c oughs> เพราะความว่างเป็นความสุขที่แท้จริง นิบบานังปร r a m a n g s u n ง, น, งนิบบานังปรมังสุ g sukhang p a r a m a n g s u นี้แปลว่าอะไรก็คือว่างจากสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ว่างจาก ลาบยศสรรเ ส, เสริญว่างจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะว่างจากความโลภความโกรธความหลงว่างจากกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาถ้าว่างจากสิ่งเหล่านี้แล้วใจก็จะเป็นปรมังสุขขังขึ้นมา เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญได้จากตาได้จากรูปเสียงกลิ่นรสโสพภะผู้ที่ปรารถนาความสุขที่แท้จริงจึงต้องปลีกวิเวก ไปอยู่ตามสถานที่ว่างจากลาบยศสรรเสริญว่างจากรูปเสียงกลิ่นรส ป, ปทธภาต่างๆเรียกว่ากายวิเวกกายว่างจากสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงที่เป็นความทุกข์ ในคาบของความสุขวันนี้มันคงจะไม่ยอมว่างเสียแล้วตอนนี้มันไม่ว่างจากเสียง เสียงมันคอยรบ ก, กวนอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีเสียงรบ ก, กวนมันก็ไม่ว่างมันก็ไม่สงบมันก็ไม่สุขนี่เป็นตัวอย่างที่เราสามารถเปรียบเทียบได้ระหว่างเวลาที่มีเสียงอกทึกควบคมกับเวลาที่ไม่มีเสียง นั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรต่อสภาพจิตใจถ้ามีเสียงกระทึกขึก้โคมมันก็จะมาก่อกวนสร้างความไม่สงบให้กับใจพอใจไม่สงบใจมันก็ไม่สุขนี่แหละ ตัวอย่างที่ทำให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการที่จะทำใจให้ว่างทำใจให้สงบนั้นทางร่างกายต้องว่างก่อน <c oughs> กายต้องวิเวกก่อนจิตถึงวิเวกได้ถ้ากายไม่วิเวกกายมีเรื่องราวต่างๆมารบกวนใจอยู่เรื่อยๆ เช่นมีเรื่องราบยศสรรเสริญเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสปุทัพระชนิดต่างๆมาคอยยั่วยวนควนใจอยู่ใจจะไม่มีวันที่จะสงบได้เมื่อใจไม่สงบใจก็จะไม่ว่างใจก็จะไม่ได้พบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ นับบวชเดือผู้ที่แสวงหาความสุขที่แท้จริงจึงต้องปลีกวิเวกันต้องไปอยู่ตามสถานที่ที่ห่างไกลจากราบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผุดถภาเช่นไปอยู่ตามป่าตามเขาในสมัยพระพุทธการ พระพุทธเจ้าก็สรงชี้บอกสถานที่สําหรับผู้ที่ต้องการบำเพ็ญเพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่คือปรมังสุขขงังว่าให้อยู่ตามโคนไม้บ้างอยู่ตามเงื่อมผาบ้างอยู่ตามถ้าบ้างอยู่ตามเรือนร้างบ้างอยู่ในป่าช้าบ้างเพราะสถานที่เหล่านั้นแหละ เป็นสถานที่ที่จะว่างจากราบยศ ส, สรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะพอะใจได้อยู่ห่างไกลจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะใจก็จะเข้าสู่ความว่างของใจได้เข้าสู่ความสงบได้แต่ ใจจะไม่เข้าสู่ความสงบได้โดยลําพังถึงแม้ว่าจะอยู่ในสถานที่สงบสงัดวิเวกปาศจากรูปเสียงกลิ่นรสพุทุพะปาศจากราบยศสรรเสริญแล้วแต่ภายในใจใจยังไม่ว่างจากกิเลสตัณหาจากความโลภความโกรธความหลง จากกมามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาใจต้องใช้ธรรมคือสติเป็นผู้ดึงใจให้ออกจากกิเลตตัณหาออกจากโมหะอวิชชาถ้ามีสติเป็นผู้คอยดึงใจไว้ใจก็จะสามารถเข้าสู่ความว่าง เข้าสู่ความสงบได้เข้าสู่ความสุขที่ยิ่งใหญ่ได้ดังนั้นเมื่อได้ไปอยู่ในสถานที่สงบสงัดวิเวกห่างไกลจากราบยศสรรเสริญห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสพธภพแล้วก็จำเป็นจะต้องเจริญสติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับ เพราะถ้าไม่ได้เจริญเดี๋ยวก็จะถูกกิเลสตัณหาฉุดลาบใจให้กลับไปหาราบยศสรรเสริญกลับไปหารูปเสียงกลิ่นรสพทธพะอีกถึงแม้ร่างกายจะออกมาแล้วแต่ใจก็ยังอดที่จะคิดถึงลาบยศสรรเสริญคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสพุทธะไม่ได้ถ้าคิดบ่อยๆเข้าก็จะเกิดความ อดหงิดนำคาญใจจนทนที่จะอยู่ในสถานที่สงบสงัดวิเวกไม่ได้จำเป็นจะต้องกลับไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลดตภัพะหาราบยศสารเสริญต่อไปดังนั้นเมื่อได้ไปปีกวิเวกแล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคอยควบคุมกิเลสตันหาไม่ให้มีโอกาส มาฉุดลากจิตใจให้กลับไปสู่ความวุ่นวายของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะของลาบยศสารเสริญถ้าไม่เจริญสติแล้วจะไม่สามารถอยู่ได้จะไม่สามารถปลีกวิเวกได้เพราะจะทนอำนาจของกิเลสตันหาที่จะมาคอยคอยผลักดันคอยทิ่มแทงหัวใจให้มีความ หงุดหงิดดำคาใจจนจะจนทนไม่ไหวจนต้องกลับไปหารูปเสียงกลิ่นรสโพธิปะกลับไปหาราบยศรเสริญ น, นี่แหละคือประเด็นสําคัญคือประเด็นแรกก็คือต้องให้กายวิเวกเมื่อกายวิเวกแล้วก็ต้องทําใจให้วิเวกใจจะวิเวกได้ก็ต้องมีสติ สตินี่แหละที่จะเป็นผู้ที่จะคอยดึงใจไว้ไม่ให้กิเลสตัณหาโมหะอาวิชาชาฉุดลากให้ใจกลับไปหาความวุ่นวายใหม่อีกอย่างนั้นผู้ที่ใฝ่ปกวิเวกแล้วจึงควรที่จะเจริญสติตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับพอตื่นมาปั๊บนี้ต้องตั้งสติแล้ว ต้องรู้แล้วว่าตอนนี้ใจกำลังอยู่กับอะไรกำลังอยู่กับอารมณ์ของสติหรือไม่หรือว่ากำลังอยู่กับความคิดปรุงแต่งถ้าอยู่กับความคิดปรุงแต่งเดี๋ยวไม่นานใจก็จะคิดปรุงแต่งไปทางของกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาพอคิดปรุงแต่งไปท่า น, นะ ดังนั้นแล้วใจก็จะเกิดความรุ่มร้อนขึ้นมาเกิดความหงุดหงิดนำขานใจเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาจนไม่สามารถอยู่เฉยๆได้แต่ถ้ามีสติคอยควบคุมความคิดปรุงแต่งอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ให้ความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นมาได้ หรือเกิดขึ้นมาได้ก็ไม่ยาวไม่นานพอรู้ว่าเผลอก็รีบกลับมาเจริญสติต่อทันทีเช่นถ้าใช้คำบริกรรมพุโทโธก็ควรจะบริกรรมพุโทโธไปในทั้งสี่อิริยาบถเดินยืนนั่งนอนให้มีการบริกรรมพุโทโธอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ปล่อยให้ใจคิดไปในทาง กิลสตันหาโมหะอาวิชาถ้ามีความจาเป็นจะต้องคิดก็คิดกับภารกิจการงานที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นพอทำเสร็จแล้วไม่มีภารกิจต้องทำแล้วก็หยุดคิดกลับมาบริกรรมพุทโธพุทโธต่อถ้าไม่ใช้การบริกรรมพุทโธจะใช้การเฝ้าดูร่างกาย อยู่ในทุกอิเลียบทของการเคลื่อนไหวก็ได้ให้รู้ว่าร่างกายตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่กำลังยืนกำลังเดินกำลังนั่งกำลังนอนกำลังรับประทานอาหารกำลังอาบน้ากำลังแต่งตัวกำลังกวาดบ้านถูบ้านกำลัง รักเสื้อผ้าไม่ว่ากำลังจะทากาลังทำกิจกรรมอะไรอยู่ให้ใจเฝ้าอยู่กับการกระทำกิจกรรมนั้นเพียงอย่างเดียวไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ให้ไปคิดถึงลาบยศสรรเสริญไม่ให้ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสพุทธะผ ดึงใจเอาไว้ให้หยุดคิดปรุงแต่งให้ได้ก่อนตอนนี้อย่าปล่อยให้คิดทางปัญญาเพราะมันจะไม่เป็นปัญญามันจะเป็นกิเลสตันหาไปตอนต้นก็เริ่มที่ปัญญาพอเผลอปั๊บมันก็ไปคิดถึงลาบยศสรรเสริญไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะขึ้นมา แล้วก็เกิดกิเลสตันหาความโลภความอยากขึ้นมาเกิดความวิตกกังวลเกิดความห่วงใ ย, ยเกิดอารมณ์อะไรต่างๆตามมาเพราะว่าใจยังไม่มีกำลังพอที่จะดึงให้ไปคิดในทางปัญญาถ้าคิดในทางปัญญาต้องคิดอยู่แต่ในวงของตายลักอยู่ตลอดเวลาเช่นเห็นอะไรก็ต้องว่าเป็นทุกข์ เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไม่ใช่เห็นอะไรแล้วก็ว่าดีดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ถ้าเห็นอย่างนั้นแล้วเรียกว่าไปทางโมหะอวิชชาไปทางกิเลสตัณหาแล้วถ้าเห็นอะไรต้องเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราถ้าเห็นว่าเที่ยงเห็นว่าสุขเห็นว่าเป็นของเรา นั่นก็คือคิดไปในทางโมหะอวิชชาแล้วไม่ใช่ไปในทางปัญญาดังนั้นในเบื้องต้นจึงไม่ควรที่จะใช้ความคิดถึงแม้จะคิดว่ากำลังคิดไปในทางปัญญามันก็ไม่ใช่เป็นปัญญาต้องทำใจให้สงบก่อนทําททำใจให้ว่างให้ได้ก่อนถ้าใจว่างใจสงบแล้ว อำนาจของโมหะอาวิชชาของกิเลสตัณหานี้จะถูกตัดทอนลงไปจะทำให้อ่อนกำลังจนไม่สามารถที่จะมาหลอกใจให้ไปคิดในทางโมหะอาวิชชากิเลสตัณหาได้เวลาคิดก็จะคิดไปในทางปัญญาคิดไปในทางธรรม คิดว่าเป็นทุกข์คิดว่าไม่เที่ยงคิดว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราถ้าเราไม่หยุดความคิดก่อนเราก็จะไม่มีวันที่จะเจริญก้าวหน้าได้พอจะมาเจริญสติเพื่อไม่ให้คิดก็ถูกกิเลสมันหลอกว่าน่าจะเจริญปัญญาจะดีกว่าปัญญานี้มีคุณค่ามี มีความยิ่งใหญ่กว่าสมาธิแต่ไม่รู้หรอกว่าการที่จะคิดไปในทางปัญญาได้นั้นจําเป็นจะต้องมีสมาธิก่อนผู้ปฏิบัติถึงมั ก, ม ก, มกจะหลงทางกันพอจเจริญสติไปได้สักเพียงเล็กน้อยก็เกิดความคิดว่าอยากจะออกทางปัญญา ท, าทันทีพอออกทางปัญญาก็ปล่อยให้ใจคิดปรุงแตง่งแล้ว ในที่สุดก็กลายเป็นความคิดคงสร้านขึ้นมากลายเป็นความคิดตามอำนาจของโมหะอาวิชชาของกิเลสตัณหาขึ้นมาแล้วในที่สุดก็ทนอยู่กับสภาพที่ห่างไกลจากลาภยศสลรเสริญห่างไกลจากรูปเสียงกิเลสพุทธะไม่ได้ก็จะถูกโมหะอาวิชชากิเลสตัณหาหลอกให้กลับไป หาลาบยศสลเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะพระใหม่ดังนั้นพยายามระมัดระวังอย่ยาไปตกตกหลุมพรางของโมหะวิชากิเลสตัณหาที่จะพยายามหลอกล่อไม่ให้เจริญสติเพื่อหยุดความคิดหุนแต่งเพื่อให้จิตเข้าสู่ความว่างเข้าสู่ความสงบที่เป็นความสุข ที่แท้จริงนี่คือเวลาที่เราจะเริญนสติอย่าไปคิดถ้าคิดแล้วก็อย่าไปเจริญสติให้มันเสียเวลาจเจริญไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเราจเจริญสติเพื่อหยุดความคิดเพื่อทำใจให้สงบเพื่อทำใจให้มีความสุขเพราะถ้าเราไม่มีความสุขเราจะไม่มีความพอใจ เราจะไม่มีความพอใจกับการปรีกวิเวกกับการอยู่ห่างไกลจากราบยศสรรเสริญเวลาเผอไปคิดถึงทางของกิเลสตัณหาก็จะเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาเกิดความหมงุดหงิดลำคาญใจขึ้นมาจนทนไม่ได้ที่จะอยู่ในสภาพที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสปวดตาพ ไม่มีลาบยศสรรเสริญแล้วก็จะต้องกลับไปสแสวงหาลาบยศสรรเสริญแสวงหารูปเสียงกิเลสพทโธทพะต่อไปการปฏิบัติก็ถือว่าล้มเหลวปฏิบัติแล้วไม่ได้อะไรเพราะว่าไม่มีความแน่วแน่ต่อการเจริญสตินั่นเอง ผู้ที่สามารถเจริญก้าวหน้าไปได้ก็คือผู้ที่มีความแน่วแน่ต่อการเจริญสติจนสามารถดึงใจให้ออกจากอิทธิพลของกิเลสตัณหาโมหะอวิชชารวมเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งหลายความสุขที่ได้จาก ความว่างของใจพอได้ความสุขของสมาธิแล้วเวลาออกจากสมาธิมาก็จะมีกำลังที่จะพิจารณาทางปัญญาได้จะมีกำลังที่จะต่อต้านโมหะอวิชากิเลสตัณหาที่จะดึงจิตให้ไปคิดในทางของกิเลสตัณหาของโมหะอวิชชา จะสามารถดึงจิตให้คิดไปในทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้คิดได้เส้นให้พิจารณาร่างกายว่าไม่เที่ยงก็ะจะพิจารณาอยู่อย่างต่อเนื่องว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บ ต, ต้องตายร่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้เกิดมาแล้วต้องพัดพากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงไป แตะพิจารณาอยู่เรื่อยๆจนมันไม่หลงไม่ลืมถึงจะเรียกว่าปัญญาถ้าพิจารณาเพียงครั้งสองครั้งแล้วก็บอกว่ารู้แล้วอย่างนี้ยังไม่ใช่เป็นปัญญาเพราะเดี๋ยวเวลาเกิดความแก่ความเจ็บความตายขึ้นมาจิตจะเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาถ้าเกิดความวุ่นวายใจก็แสดงว่าไม่มีปัญญาเสียแล้ว ปัญญาที่คิดว่าตนเองมีอยู่นั้นมันเป็นสัญญามันเป็นความจำจำได้แล้วเดี๋ยวก็ลืมได้ตอนที่พิจารณาตอนนั้นก็จำได้จำได้ว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่พอหยุดพิจารณาความความจริงที่ได้พิจารณาคือความแก่ความเจ็บความตายก็จะจางหายไป พอไปพบกับความแก่ความเจ็บความตายก็จะเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาทันทีถ้าเป็นปัญญาแล้วเวลาพบกับความแก่ความเจ็บความตายใจจะเฉยเป็นอุเบกขาใจจะว่างใจจะสงบเหมือนกับเวลาที่อยู่ในสมาธิเพราะว่าปัญญานี่แหละจะคอยควบคุมใจให้อยู่ในความสงบ ให้อยู่ในความว่างไม่ให้เกิดวิภาวะตัณหาขึ้นมาคือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายถ้าไม่มีปัญญาก็จะเกิดความกลัวทันทีเวลาคิดถึงความแก่เวลาคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาคิดถึงความตายจึงจําเป็นจะต้องเจริญ ปัญญาอย่างสม่ำเสมอเหมือนกับตอนที่เจริญสติเวลาเจริญสติก็เจริญสติตลอดเวลายกเว้นเวลาที่ต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็หยุดเจริญสติชั่วคราวหยุดการบริกรรมชั่วคราวแล้วก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปพอทำงานนั้นเสร็จแล้วก็กลับมาบริกรรมใหม่เช่นเดียวกับการเจริญปัญญา พอออกจากสมาธิแล้วก็ให้เจริญปัญญาพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาจนมันติดอยู่กับใจตลอดเวลาพอมองเห็นร่างกายทีไรก็จะเห็นความแก่ความเจ็บความตายทันทีอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นปัญญาพอเห็นนาวว่าร่างกายนี้จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ตลอดเวลาเวลาใดที่คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายหรือเวลาที่เห็นความแก่ความเจ็บความตายมันจะไม่สะทกสะทานมันจะไม่หวั่นไหวเพราะมันสามารถทําใจให้เป็นอุเบกขาให้วางเฉยได้เพราะใจไม่ได้เป็นผู้แก่ผู้เจ็บผู้ตายใจทำไมจะต้องไปหวั่นไหว ไปวุ่นวายกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายที่ไม่ใช่เป็นของใจไม่ใช่เป็นตัวใจตัวใจคือตัวรู้ร่างกายก็คือธาตุสี่ดินน้ําลมไฟเป็นอนัตตาเป็นการรวมตัวของธาตุสี่แล้วก็พอเวลาร่างกายตายก็เป็นเวลาแยกกันออกไปธาตุทั้งสี่ก็จะ กลับคืนสู่สภาพเดิมกลับสู่บ้านเดิมของตนน้ำก็กลับคืนไปสู่น้ำลมก็กลับคืนไปสู่ลมไฟก็กลับคืนสู่ไฟดินก็กลับคืนสู่ดินนี่คือปัญญาต้องพิจารณาจนช่ำชองจนเป็นอาวุธคู่คู่กายคู่ใจ คือเวลาเห็นร่างกายไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามจะเห็นความแก่ความเจ็บความตายขึ้นมาทันทีจะรู้ทันทีว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทันทีไม่มีวันหลงไม่มีวันลืมเมื่อไม่หลงไม่ลืมแล้วจะไปกลัวความแก่ความเจ็บความตายได้อย่างไรเพราะความกลัวนี้ก็เป็นความทุกข์ ที่เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายผู้ปฏิบัติที่มีปัญญาก็จะไม่ปล่อยให้ใจทุกข์ไปตามอำนาจของความอยากก็จะละงับความอยากพอไม่มีความอยากก็จะไม่มีความกลัวไม่มีความกลัวก็จะไม่มีความทุกข์นี่แหละเรียกว่าปัญญาอย่างแท้จริงต้องเป็นปัญญาที่ รักษาใจให้สงบได้ตลอดเวลาใจไม่วุ่นวายไปกับสิ่งต่างๆที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่วุ่นวายไปกับร่างกายที่เกิดแก่เจ็บตายแล้วก็เป็นอสุภะคือไม่สวยไม่งามความสวยความงามนี้เป็น เหมือนกับกระดาษที่เราเอาอุจจาระมาห่อเอากระดาษสวยๆมาห่ออุจจาระถ้ามองจากข้างนอกก็จะเห็นกระดาษสวยๆก็คิดว่าห่อขนมที่อร ե ตอร่อยแต่พอแกะกระดาษออกดูถึงไปเจออุจจาระที่ห่อไว้อยู่ฉันใดร่างกายนี้ก็เหมือนกับกระดาษ ที่ห่อหุ้มสิ่งสกปรกสิ่งที่ไม่สวยไม่งามอะไรที่หุ้มห่อสิ่งที่ไม่สวยไม่งามก็คือหนังบางๆนี่ผิวหนังบางๆงนี้ที่หุ้มห่ออวัยวะต่างๆของร่างกายหุ้มห่อเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่า เยื่อในสมองศรีรษะนละน้ําต่างๆนี่ถูกหนังหุ้มห่อเอาไว้อจึงไปหลงคิดว่าหนังที่สวยงามนี่เป็นสิ่งที่สวยงามหนังที่หุ้มหุ้มหอ่อสิ่งที่สกปรกสิ่งที่น่าเกลียดนี่กลับมองไม่เห็นก็เหมือนกับกระดาษสวยๆที่เราเอามาห่ออุจจระนี่ อ๋อแล้วก็ติดริบบแล้วก็เขียนการอวยพรวันเกิดลองส่งไปให้เพื่อนที่มีวันเกิดดูดูซิว่าเขาจะยินดีหรือไม่พอเปิดกระดาษดูเนี่ยเป็นลมเลยอันนี้ก็เหมือนกันร่างกายนี้ลองลองเปิดกระดาษคือผิวดูลองฉีกผิวออกมาดู แกะผิวออกมาดูแล้วดูซิว่ามันจะน่าดูไหมใต้ผิวหนังคืออะไรก็คือเนื้อเอ็นต่างๆใต้เนื้อเอ็นคืออะไรก็คือกระดูกใต้กระดูกอวัยวะต่างๆมันอยู่ที่ตรงไหนมันก็อยู่ภายใต้ผิวหนังนี่เองแต่กลับมองไม่เห็นกันกลับมาหลงไหลข่างกายมาประกวดกันว่าสวยว่างาม มีลังลงรังวันออกอากาศผ่านทั่วโลกไปดูไปทุกประเทศใครๆก็หลงไหลคลั่งคล้ายกันว่าสวยว่างามนั่นก็เป็นเพราะว่าดูแต่กระดาษที่หุ้มหอ่ออุจจาร ะ, ะไม่แกะกระดาษดูกันไม่แกะผิวหนังออกไม่มองเข้าไปใต้ผิวหนังดูกัน จิงมองไม่เห็นความไม่สวยไม่งามของร่างกายอันนี้ก็คือปัญญาเหมือนกันปัญญาที่ต้องพิจารณาจนเวลามองเห็นร่างกายของใครไม่ว่าจะของตนเองหรือของผู้อื่นก็จะเห็นเป็นอสุภะไปหมดเห็นอาการสามสิบสองถ้าเห็นแล้วใจก็จะไม่กระเพื่อมใจก็จะไม่วุ่นวาย ใจก็จะไม่มีความข้างคล้ายหลงไหลกับรูปร่างหน้าตาของร่างกายไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตา่างนี่แหละเรียกว่าปัญญาต้องเห็นอย่างต่อเนื่องเห็นตลอดเวลาไม่ใช่เห็นเฉพาะเวลาที่อยู่ตามลำพังพิจารณาพอออกมาข้างนอกพบปะผู้คนมองไม่เห็นแต่แล้ว อย่างนี้เรียกว่าไม่ใช่ปัญญาเรียกว่าสัญญาถ้าสัญญาต้องเห็นตลอดเวลาเวลาพิจารณาอยู่ตามลำพังอยู่ในทางเดินจงกรมอยู่ในขณะเวลานั่งสมาธิอย่างนี้ยังไม่เรียกว่าเห็นจริงตะเห็นจริงต้องเห็นเวลาที่เจอร่างกายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของไข่ก็ตามพอเห็นปุ๊บนี่ต้องเห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตาย เห็นธาตุส mm ี่เห็นดินน้ำลมไฟแยกออกมาจากร่างกายเห็นอสุภะเห็นอาการสามสิบสองที่ถูกผิวหนังปกปิดหุ้มขอไว้อยู่นี่แหละถึงจะเรียกว่าเห็นจริงได้เห็นอย่างนี้แล้วตัณหาความอยากนี้จะไม่สามารถโผล่ขึ้นมาได้เมื่อไม่มีตัณหาความอยากใจก็จะ ไม่วุ่นวายใจก็จะสงบใจก็จะอยู่กับความว่างได้ใจก็จะอยู่กับความสุขที่แท้จริงได้นี่คือหน้าที่ของปัญญาในการที่จะรักษาใจที่ได้พบกับความสุขได้พบกับความว่างแล้วเวลาออกจากความว่างมาก็ให้รักษาความว่างต่อไปเวลาออกจากความสงบแล้ว กยให้รักษาความสงบไว้ต่อไปด้วยการเจริญปัญญาใช้ปัญญาคอยสกัดกัน้นกิเลสตัณหาตัวที่จะทำให้ใจกระเพื่อมขึ้นมาทำให้ใจออกจากความว่างออกจากความสงบเข้าสู่ความวุ่นวายใจต่อไปนี่คือวิธีการของการที่เราจะ เข้าหาความว่างเข้าหาความสุขที่แท้จริงต้องทำตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาแล้วนำเอาวิธีของการปฏิบัติมาเผยแผ่มาสั่งสอนให้แก่ผู้ที่สนใจที่อยากจะได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความว่างอยากจะสัมผัสกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ กว่าความสุขทั้งหลายที่เรียกว่าปารมังสุขขังปารมังสุขขังจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีปรมังสุนอย่างปรมังสุนอย่างก็คือใจต้องว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างว่างจากลาบยศสรรเสริญไม่คิดถึงเรื่องการหาลาบยศสรรเสริญไม่คิดถึงการดูแลรักษาห่วงใยลาบยศสรรเสริญ ไม่คิดถึงการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่คิดไปในทางความโลภความโกรธความหลงไม่คิดไปในทางกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าปรมัาณูญคำว่าปรมาณูญ น, นี้ไม่ได้หมายความว่าอันตรธานหายไปอะไรอะไรอันตรธานหายไป เป็นสิ่งที่ไม่มีวันที่จะหายไปได้จิตเป็นสิ่งที่มีอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะปฏิบัติธรรมหรือไม่ปฏิบัติธรรมจิตก็มีอยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าปฏิบัติก็จะเป็นจิตที่ว่างจากสิ่งที่เป็นอันตรายต่อจิตใจถ้าไม่ปฏิบัติจิตก็จะไม่ว่างจากสิ่งที่เป็นอันตรายต่อจิตใจ คความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นแล้วก็เข้าไปหาราบยศตะรเสิญไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะพอไปยุ่งกับสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาผลก็คือทุกขังก็จะเกิดขึ้นมา เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกขังนั่นเองไม่ว่าลาบยศสรรเสริญไม่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลพภะล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความโลภความโกรธความหลงก็เป็นความทุกเวลาโลภแล้วใจมันสุขหรือทุกข์กันน่เวลาโกรธแล้วใจมันสุขหรือมันทุกข์กันน่เวลาหลงแล้วใจสุขหรือใจทุกข์เวลาอยากแล้วใจสุขหรือใจทุกข์ ลองพิจารณาดูนี่แหละคือความว่างที่พวกเราต้องการกันก็คือว่างจากราบยศสรรเสริญว่างจากรูปเสียงกลิ่นรสโพธภิภะจะว่างได้ก็ต้องไปเปกวิเวกไปอยู่ห่างไกลจากกองเงินกองทองห่างไกลจากตําแหน่งฐานะต่างๆเวลาไปบวชนี้ท่านบอกให้โยนทิ้งไปหมด ตำแหน่งอธิบดีนายกรัฐรมนตรีมหาเศรษฐีมหากษัตริย์นี่พระเจ้าบอกให้โยนทิ้งไปหมดผู้ที่บวชนี้เป็นผู้ที่มีฐานะเท่ากันหมดเป็นนักบวชเป็นพี่เป็นน้องเท่านั้นต่างกันตรงที่อาวุโสพันเตเท่านั้นเองผู้บวชก่อนก็เป็นอาวุโสผู้บวชหลังก็เป็นพันเต ด, ดูสลับกันยังไม่รู้ พันเตนี่เป็นผู้อาวุโสอาวุโสนี่กลับไม่ใช่เป็นผู้อาวุโสภาษาบาลีกับภาษาไทยเราจะใช้ตรงกันข้ามกันเวลาพระกล่าวคำกับผู้ใหญ่ท่านจะพูดว่าพันเตเวลาพระผู้ใหญ่พูดกับพระผู้น้อยท่านจะเรียกพระผู้น้อยว่าอาวุโสเวลาแสดงอบาลนี้อาวุโสหรือพันเตอามะพันเต เนี่ยเวลาญาติโยมขอศีลแล้วพระให้ศีลญาติโยมก็ว่าอามะพันเต่คาว่าพันเตนี้แปลว่าท่านผู้ใหญ่อาภุโสแปลว่าท่านผู้น้อยแต่ภาษาไทยเรามาสลับกันเรามาเรียกผู้น้อยว่าเป็นผู้อาภุโส <c oughs> เวลาพูดไปก็เลยงงมาดรู้แต่ โดยสรุปก็คือผู้มาบวชนี้ไม่มีฐานะทางโลกแล้วไม่ว่าจะเป็นเป็นมหากษัตริย์เป็นอะไรอย่างสมัยที่พร ะ, ะพระญาติของพระพุทธเจ้าคือเจ้าชายห้ารูปด้วยกันห้าพระองค์ด้วยกันมีความปรารถนาที่อยากจะบวชแล้วก็มีผู้รับใช้ที่เป็นช่างตัดผม ชื่ออุบาลีขอบวชตามด้วยเวลาที่จะบวชเจ้าชายทั้งห้ารูปก็เลยปรึกษากันว่าน่าจะให้อุบาลีเป็นผู้บวชก่อนเพื่อที่เวลาเขาบวชแล้วเขาจะได้เป็นพันเตแล้วพวกเราจะต้องกราบอุบาลีานี่แหละคือการบวชที่แท้จริงบวชเพื่อละอัตตาตัวตน ล ะ, ละลาบยศสารแสนสุขจริงๆต้องบวชแบบนี้อุบาลีก็เลยต้องบวชก่อนแล้วพวกเจ้าชายคือพระอานุ์พระอนุทะอนุอนุรุตพระเทวทัตเนี่ยนี่เป็นเจ้าชายที่บวชพร้อมกันห้ารูปเดียกันพอบวชเสร็จแล้วเวลาเจอพระอุบาลีก็ต้องกราบพระอุบาลีก่อนเพราะพระอุบาลีท่านบวชก่อนท่านเป็นพันเตนะครับ ผู้บวชหลังก็ถึงแม้ว่าจะห่างกันเพียงหนึ่งนาทีก็ถือว่าต่างกันแล้วเวลาพระเจอกันนี้ท่านจะต้องสอบถามก่อนว่าใครเกิดก่อนใครใครบวชก่อนใครจะได้รู้ว่าคใครควรจะกราบใครไม่มีความเกงใจกันเอาธรรมะเป็นหลักถ้าเกงใจกันก็บางทีโอ้ย เขาอายุมากกว่าเราเขามีฐานะเดิมดีกว่าเราถึงแม้เราจะบวชก่อนเขาเราก็เกรงใจเขาไม่อยากจะให้เขากราบเราเขาก็ไม่อยากจะกราบเราเพราะเขาก็ยังติดอยู่กับฐานะเดิมของเขาอยู่อันเป็นอาิบดีเธอเป็นซีสามซีสี่จะมาให้ฉันกราบเธอได้ยังไง น, นี่ก็นี้เรียกว่าไม่ได้บวชตาม ที่พระเจ้าสอนให้บวชคือให้พวกเราสลัดลาบยศสลเสรญสลัดรูปเสียงกลิ่นรสผลถ้าพระออกไฟให้หมดอย่าให้มีสิ่งเหล่านี้มาเกี่ยวข้องกับจิตใจเพราะมันเป็นโทษกับจิตใจเป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจมันจะทำให้จิตใจทุกว้าวุ่นขุ่นมัวแล้วก็ต้องมากำจัด กิเลสตันหาความโลภความโกรธความหลงกำจัดความอยากคือกามะตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาให้หมดไปจากจิตจากใจถ้าสามารถทำได้แล้วใจก็จะว่างแต่ไม่ได้สูญหายไปหน่อยใจของผู้ที่บรรลุพระนิพพา น, านกับของผู้ที่ไม่บรรลุพระนิพพาก็ยังยมีอยู่เท่ากันอย่าไปคิดว่าพอเป็น พอบรรลุพระนิพพานปั๊บหายไปเลยกลายเป็นมนุษย์ล่องขนไปเลยไม่ใช่ยังมีอยู่จิตควาจริงก็เป็นมนุษย์ล่องขนอยู่แล้วไม่มีรูปร่างมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าไม่เหมือนกับร่างกายร่างกายนี้มีรูปมีร่างแต่สิ่งที่มีรูปมีร่างเนี่ยมีปัญหาเพราะมันจะต้องเสื่อมมันจะต้องหมด แต่สิ่งที่ไม่มีรูปไม่มีร่างนี้มันไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดเช่นความว่างที่อยู่รอบตัวเรานี้มันมีอยู่มาตลอดเวลามันไม่มีวันหายไปไหนเรามาที่ไหลเราก็เจอมันทุกทีใช่ไหมมาที่สาลานี้เจอความว่างไหความว่างที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยที่ตรงไหนว่างก็ตรงนั้นก็เป็นความว่างเละมันมีอยู่ตลอดเวลาความว่าง แต่สิ่งที่ไม่ว่างนี่แหละเป็นสิ่งที่เกิดแล้วดับเช่นร่างกายนี้ลนะาบยศสารเสริญมันก็ไม่เป็นความว่างมันเกิดแล้วมันก็ต้องดับไปรูปเสียงกลิ่นรสพุพธะก็เช่นเดียวกันมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องดับไปถ้าเราไปตั้งความสุขของเราไว้กับสิ่งเหล่านี้เวลามันดับไปมันหายไปความสุขที่เราตั้งไว้ก็หายไปด้วยพอไม่มีความสุข เราก็เลยต้องอยู่กับความทุกข์ไปดังนั้นเราอยากไปตั้งความสุขไว้กับสิ่งที่มันจะต้องหายให้ตั้งความสุขไว้กับสิ่งที่ไม่มีวันหายสิ่งที่ไม่มีวันหายก็คือความว่างนี่อยู่ได้จิตไม่มีลาบยศสะละเสริญไม่มีรูปเสียงกลิก่นรสโพธพภะอยู่ได้อยู่มีความสุขยิ่งกว่าจิตที่อยู่กับลาบยศสะละเสริญอยู่กับรูปเสียงกลิก Wasser, ่นรสโพธิภะ นั่นะจิตพาาาระอรหันกับจิตพวกเราเป็นอย่างนี้จิตของพาอาาระอรหันจิตของพระพุทธเจ้าท่านอยู่กับความว่างแต่จิตของพวกเรานี้อยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอยู่กับราบยศสรรเสริญพอสิ่งเหล่านี้เสื่อมไปเป็นยังไงวุ่นวายกันไปนหมดจะเป็นจะตายกันให้ไ ด, หด้เหมือนกับขาดลมหายใจนี่แหละคือความหลงมันหลอกให้เรา ไปยึดไปติดกับกองทุกแทนที่จะให้เราไปยึดไปติดอยู่กับกองสุขมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่สามารถรู้ทันความหลงแล้วก็ไม่ทำตามความหลงแทนที่จะตั้งความสุขให้อยู่บนลาบยศสรรเสริญอยู่บนรูปเสียงเกินลดโพธพปะพระองค์ก็ไปตั้งความสุขอยู่กับความว่าง สเสด็จออกจากพระราชวังไปอยู่ตามโคนไม้ไปอยู่ตามเดือนร้างไปอยู่ตามป่าช้าไปอยู่ตามเนื้อผาตามถ้ำนั่นแหละคือที่ตั้งของความสุขที่แท้จริงแล้วก็บาเพ็ญจิตตะภาวนาเจริญสติอย่างต่อเนื่องเพื่อทำใจให้เข้าสู่ความว่างอีกอีกชั้นหนึ่งคือความว่างภายใน ได้ความว่างภายนอกแล้วก็ต้องทํำใจให้เป็นว่างต่อไปก่อนที่จะทําทใจให้ว่างได้ต้องทํากายให้ว่างก่อนเพราะถ้ากายไม่ว่างไม่มีวันที่จะทําทใจให้ว่างได้ถ้ายังอยู่บนกองกองของราบยศสละเสนของรูปเสียงกิรลดโพธะพระอยู่ไม่มีวันที่จะทําใจให้สงบได้ คนที่ต้องออกบวชกันที่ต้องไปปีกวิเวกันก็เพราะด้วยสาเหตุนี้เองถ้าสามารถทำใจให้สงบเข้าสู่ความว่างได้บนทํากาง ร, ราบยศสารเสริญรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะก็ไม่ต้องมาวัดให้เสียเวลาอยู่บ้านจัดงานเลี้ยงกินเลี้ยงกันเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิเข้าสู่ความว่างกันไปเลยมันทาไม่ได้มันคนละเรื่องกันต้องมาอยู่ปีกวิเวกไม่ อยู่ในวัดก็ไม่มีอะไรกุฏิก็มีแต่มีแต่ฟ้ามีแต่หลังคาไว้หลบแดดหลบฝนเท่านั้นไม่มีตู้เย็นไม่มีทีวีไม่มีอะไรให้ดูให้ฟังให้ดื่มให้รับประทานนั่นแหละคือความว่างทางกายภาพเรียกว่ากายวิเวกพอได้กายวิเวกแล้วทีนี้ก็จะเจริญสติได้ง่ายไม่มีอะไรมาลบกวนมาทาลายสติทาลายสมาธิ พอสามารถจเจริญสติได้อย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องไม่เผลอไม่ลืมจิตก็จะเข้าสู่ความว่างภายในต่อไปเข้าสู่ความสงบที่เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งหลายพอได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่นี้แล้วก็รักษามันต่อไปเวลาออกจากสมาธิมาก็ใช้ปัญญาม้องกันคอยรักษาความว่างไว ไม่ให้โจรผู้ร้ายมาฉก ช, ชิงเอาไปโจรผู้ร้ายที่จะมาฉก ช, ชิงความว่างความสงบนี้คือใครก็คือกิเลสตัณหานี่ความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆพอมันโผล่ขึ้นมาปั๊บปัญญาต้องฟักด่าบฟ อ, อกมาฟันทันทีฟันด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตามันอยากจะดื่มก็บอกมันเป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขนสุขชั่วคราวสุขเดียวๆพอไม่ได้ดื่มก็ทุกข์แล้ว อย่าไปดื่มอยู่กับความว่างดีกว่าอยู่กับความสงบดีกว่าเพราะถ้าไปดื่มแล้วมันจะติดพอติดแล้วมันเลลวลาไม่ได้ดื่มมันจะทุกข์เนี่ยต้องใช้ปัญญาแก้กันอย่างนี้ปัญญาก็เป็นเหมือนอผู้มาอารักข า, าความว่างนี้ความว่างของใจที่ได้จากการเจริญสติที่ได้จากการนั่งสมาธิพอจากสมาธิแล้วก็ต้องใช้ปัญญาคอยรักษา เวลาเกิดความโลภ ก, ก็ต้องตัดมันทันทีเกิดความโกรธก็ต้องตัดมันทันทีเกิดความหลงก็ต้องตัดเกิดความอยากก็ต้องตัดด้วยไตยลักษณ์พอมีไตลักษณ์มีอสุภะแล้วข้าศึกจัตุร์ที่จะมาทาลายความว่างความสงบของใจก็จะไม่สามารถเข้ามาทาลายได้ใจก็จะสงบไปตลอดพอสงบไปตลอดแล้วก็เลยเรียกว่าปรมางสุขขัง ว่างไปตลอดก็เรียกว่าปรมังสุนยญญ์นี่แหละคือเรื่องราวของพวกเราที่มากันวันนี้เรามาหาความว่างกันเพราะความว่างเป็นความสุขที่แท้จริงนั่นเองนิบานังปรมังสุนยญญ์นิบานังปรมังสุขขังไม่ใช่เป็นของที่สุดเอื้อมของพวกเราถ้าสุดเอื้อมแล้วพระพุทธเจ้าไม่เสียเวลามาสอนให้เสียเวลาไปปปล่าๆเพราะว่ามันอยู่ในความ สามารถของพวกเราทุกคนที่จะหยิบมาเป็นสมบัติของเราได้และมีผู้ที่หยิบมาเป็นสมบัติแล้วหลายท่านด้วยกันนับจำนวนไม่ถ้วนนับตั้งแต่วันแรกที่พระพุทธเจ้าสรงประกาศพระธรรมคำสอนมาจนถึงปัจจุบันนี้มีผู้ที่สามารถไขว่คว้าเอาความว่างเอาปรมังสุนัยิ์เอาป ร, ม, าปรมังสุขขังนี้มาเป็นสมบัติของตนได้เป็นจานวนมาก พวกเราก็เป็นผู้ที่กำลังขวายคว้ากันอยู่ขอให้พวกเราพยายามทำกันให้สุดกำลังเติดแล้วผลต่างๆที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้รับก็จะเป็นผลที่พวกเราจะได้รับกันต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวะริวหาปุราปาริปุเรนติสากรลังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกะปติอิชิตังปติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสพเพปุเรนตุสังกะปาจันทูปนาราโสยะถามณีโชติ ภสโยทาสภิติโยวิวัจันตุสัพพโรโขวินัสตุมาเตภวะตวันตาลาโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานศีลิษานิจังวุธาปจายโนจัตารุธรรมาวัานติอายุวโนโอสุขังภาลา ต่อไปนี้ก็จะเป็นการถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดยอยากจะถามปัญหาขอความกรุณาให้ขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนเพื่อผู้ฟังจะได้ยินทั้งคำถามและคำตอบครับต่อไปเป็นคำถามจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติอภิชาโตและทางกลุ่มธรรมะบนเขานะครับ คำถามต่อเนื่องจากคุณหญิงเอทเมื่อวานนะครับเกี่ยวกับหลานนะครับแล้วถ้าเราปล่อยวางได้อุเบกขาไม่เดือดร้อนกับการกระทำของเขาจะยิ่งกลายเป็นปล่อยหลานดิ่งไปในทางที่ผิดหรือไม่คือการปล่อยวางนี่หมายถึงปล่อยวางกิเลสของเราเราไม่ได้ปล่อยวางการดูแลเลี้ยงดูหลานหลานเราก็เลี้ยงดูไป แต่เราปล่อยวางกิเลสความอยากของเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เรายังมีหน้าที่เลี้ยงดูเขาเราก็เลี้ยงดูไปนอกจากว่าเขาต้องการที่จะเป็นตัวของเขาเองเขาจะไปอยู่ใช้ชีวิตของเขาเองอันนั้นก็เป็นสิทธิของเขาก็าถือว่าเราก็หมดภาระหน้าที่ไปเท่านั้นเอง แต่ความสัมพันธ์ความเป็นน้าหลานก็ยังเป็นอยู่เหมือนเดิมก็ยังพบปะคุยกันทำอะไรร่วมกันได้มีความเดือดร้อนที่พอที่จะช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปแต่ความเดือดร้อนบางอย่างนี้ช่วยไม่ได้ก็ต้องช่วยไม่ได้เช่นไปติดคุกติดตารางนี้จะไปให้เอามาออกมาก็ออกไม่ได้ ก็ต้องปล่อยให้ติดคุกติดตารางไปแต่ที่ปล่อยวางนี้ก็หมายถึงใจไม่ไปแบกเขาไม่ไปทุกข์กับความประพฤติของเขาเราทำหน้าที่ของเราเต็มที่แล้วในการสั่งสอนในการบอกทางที่ดีที่ถูกที่ควรแต่ถ้าเขาไม่ยินดีที่จะไปทางนั้นเขาอยากจะไปทางที่ทำให้เขาเกิดความ ทุกเกิดความเสื่อมเสียขึ้นมาเราก็ไม่ควรไปทุกข์กับเขาเพราะก็ว่าไม่ได้เป็นเปลี่ยนแปลงความจริงแต่อย่างใดเขาก็ทุกขเขาก็เสื่อมเสียของเขาเหมือนเดิมอยู่แต่เรากลับไปทุกแทนเขาอีกทําไมเราก็เพียงแต่รับรู้เท่านั้นเองคําว่าอุเบกขาปล่อยวางก็คือรับรู้รับรู้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเขา เขาดีเราก็รับรู้ว่าดีเขาไม่ดีก็รับรู้ว่าไม่ดีก็เท่านั้นเองถ้าเรายัางทำอะไรให้กับเขาได้อยู่แล้วเขายินดีให้เราทำเราก็ทำไปถ้าเขาไม่ยินดีให้เราช่วยเราก็ไม่ต้องช่วยก็มีเท่านั้นคำถามข้อต่อไปจะคุณจิงเลวินกน้อยนะครับ ผู้ที่ทําบุญสร้างบุญเสมอๆด้วยเงินที่ได้จากอาชีพที่หากินโดยการเบียดบงังคดโกงคนอื่นทํามาหากินไม่สุดจริตจะมีผลอย่างไรกับชีวิตของเขาบุญที่ได้จะทดแทนบาปกรรมได้หรือไม่ก็ไกลพูดเสมอว่าเรื่องของบุญกับเรื่องของบาปก็เป็นเรื่องต่างวาระต่างต่างเรื่องกัน เรื่องของบาปก็มีผลของบาปเรื่องของบุญก็มีผลของบุญเราทำบาปเราก็ต้องรับผลของบาปเช่นเราทำผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ตารวจก็จะจับเราไปลงโทษเราทำบุญเราทำความดีไว้เวลาขึ้นศาลศาลอาจจะพิจารณาความดีที่เราทำไว้ก็อาจจะลดหย่อนผลนโทษของของการกระทำผิดของเราได้ อันนี้มันก็มีส่วนในลักษณะอย่างนี้แต่จะไปลบล้างบาปเลยทีเดียวมันไม่ได้สารเขายัางก็ต้องตัดสินว่าผิดเพียงแต่ว่าสารจะมีะความเมตตามากน้อยเพียงไรถ้าเป็นบุคคลที่มีคุณประโยชน์กับสังคมสารก็อาจจะมีความเมตตามากแต่ถ้าเป็นบุคคลที่เป็นพิษเป็นภัยกับสังคมสารก็คงจะไม่เมตตามาก ดังนั้นคนที่เหมือนถึงแม้ว่าจะทําบาปแต่ก็ยังทําบุญอยู่ก็จะบีศักิศีมีเปียะได้ได้เปียกกว่าคนที่ทําบาปแล้วไม่ทําบุญคือตัวอย่างแต่เขาทําบุญด้วยเงินที่ได้มาจากการคดโกงใช้เงินคดโกงไม่สุจริตทำครับพระอาจารย์ก็ดีกว่าคนไม่ไม่ทำนั่นแหละใช่ไหมคนที่คดเอาเงินที่คดโกงมากินเหล้าเมายา คนที่เอาเงินคดโกงมาสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลมาแจกจ่ายให้คนยากจนนี่ก็เป็นโรเบนฮุสใช่ไหมคำถามข้อต่อไปจากคุณเกิดแล้วเกิดอีกนะครับชื่อดีอะการเปิดเทศธรรมะครูบาอาจารย์ แต่ฟังบ้างไม่ฟังบ้างไม่ได้ตั้งอกตั้งใจจริงจงจังๆนั้นควรหรือไม่ควรอย่างไรก็จะได้ผลบ้างไม่ได้ผลมากถ้าอยากจะได้ฟังได้ผลมากก็ต้องฟังอย่างต่อเนื่องถ้าฟังครึ่งนึงก็ได้ผลเพียงครึ่งเดียวดันั้นเวลาฟังทำยังไม่ควรทำอะไรทั้งหลายไม่ควรคิดเรื่องอะไรให้จดจอ่อให้ฟังอย่างเต็มที่ จะได้ผลอย่างเต็มที่จะได้บรรลุธรรมได้ผู้ที่บรรลุธรรมนี้เขาฟังเต็มที่เขามีจิตที่สงบมีสมาธิเป็นฐานรองรับปัญญาคือคำคำสอนของพระพุทธเจ้าพอฟังด้วยสมาธิใจก็จดจ่อพิจารณาตามก็จะเกิดความเข้าใจเห็นตามความเป็นจริงที่ได้แสดงไว้ก็จะบรรลุหลุดพ้นจากกองทุกข์ได้ คำถามข้อต่อไปจากคุณปุ้ยนะครับความสุขคือสุขที่แท้แต่ทำไมอยู่กับเจ้าความสงบจึงมีความเบื่อมาอยู่ด้วยตลอดเราสามารถประคองความสุขตลอดเวลาได้ไหมหมายถึงอะไรหมายความว่าความสุขที่เกิดจากความสงบครับอาจารย์แต่ว่าก็จะมีความเบื่อเข้ามาแทรกตลอดเราสามารถประคองความสงบ อได้ไหมก็ต้องประคองเหตุที่ทําให้ใจสงบเนี่ยเหตุที่จะทําให้ใจสงบก็คือสติแล้วก็ป้องกันข้าสึกของความสงบก็คือกิเลสตัณหาไม่ให้เข้ามาทําลายความสงบถ้าเราประคับประคองด้วยสติใจก็จะสงบแต่ถ้าเราเผลอเมื่อไหร่ใจก็จะหาจากความสงบได้ แต่ถ้าเราใช้ปัญญานี้ปัญญาจะทำลายข้าศึกศัตรูที่จะมาทำลายความสงบจนไม่มีหนงเหลืออยู่เลยพอไม่มีข้าศึกศัตรูแล้วก็ไม่ต้องประครับประคองใจใจก็จะสงบอย่างถาวรจะไม่มีวันเบื่อเข้ามาแทรกได้ดังนั้นถ้าเรามีความสงบบ้างแล้วก็ถ้ายังไม่มีปัญญาใช้ปัญญาไม่เป็นก็ให้ใช้สติที่เราสร้างความสงบขึ้นมา รักษาความสงบต่อไปบริกรรมพุโทโธต่อไปจนกว่าเราจะรู้จักใช้ปัญญาจนกว่าเราจะพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นพอเราพิจารณาได้เราก็ไม่ต้องใช้สติประครับประคองไม่ต้องใช้บริกรรมพุโทโธใช้ปัญญาแทนแล้วปัญญานี่แหละจะรักษาความสงบไว้ได้อย่างท้าวรต่อไป คำถามข้อต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะครับบางครั้งเวลาคุยกันแล้วรู้สึกว่าถ้าหลักการเราถูกต้องหรือมีใครมาคิดว่าเราทำไม่ถูกหรือคิดไม่ถูกเรามักจะพูดเพื่อปกป้องความคิดหรือการกระทำของเราไม่ค่อยยอมแพ้ทั้งๆ ท, ที่บางครั้งก็มีความคิดผุดขึ้นมาว่าอย่าพยายามอธิบายหรือเถียงเลย แต่ก็อดไม่ได้พูดไปอยู่ดีแล้วกลับมานั่งรู้สึกว่าแย่จังที่เราชอบเอาชนะคนอื่นอัตราเราสูงจังเป็นเพราะสติของเรากําลังยังอ่อนใช่ไหมอยากกลับเรียนถามแนวทางแก้ไขจากพระอาจารย์ค่ะก็สติปัญญาของเรายังไม่มีกําลังมากพอเวลาเกิดตัณหาความอยากที่เอาชนะผู้อื่นก็ลืม ความจริงไปว่าเราควรจะชนะตนไม่ควรจะชนะผู้อื่นเพราะการชนะตนนี้เป็นการชนะที่แท้จริงการชนะผู้อื่นก็เป็นการสร้างเวรสร้างกรรมให้เกิดขึ้นตามมาดังนั้นเราก็ต้องฝึกสอนใจสอนตนอยู่เรื่อยๆว่าตอนไปนี้เราอย่าไปเอาชนะผู้อื่นให้เอาชนะตัณหากิเลส ข, ของพวกเราที่อยากจะไปชนะผู้อื่นที่ไป เถียงกันปากเปรียกปากฉีกนี่ก็เพราะความอยากจะชนะผู้อื่นแล้วเป็นยังไงพอตกเถียงกันแล้วแทนที่จะรักกันก็เลยโกรธกันเกลียดกันไปก็มีเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมให้เกิดขึ้นมาแต่ถ้าการชนะตนนี่เป็นการทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างสงบเขาว่ายังไงก็โอเคยอมแพ้ยอมแพ้เขาก็เท่ากับชนะกิเลสของเราก็องถึงมีสูตรที่ พูดกันอยู่เรื่อยๆว่ายอมหยุดเย็นสามยอจำไว้นะหอยท่องสูตรสามยอไว้ยอมแพ้พอยอมแพ้ก็หยุดที่จะตอบโต้พอหยุดตอบโต้ใจก็จะเย็นสบายจำไว้นะสามยอนะ <c oughs> ยอมหยุดแล้วก็จะเย็น คำถามข้อต่อไปจะพูดไม่ประสงออกนามนะครับการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากต้องรักษาศีลห้าจึงจะได้เกิดเป็นมนุษย์แต่ทำไมสมัยนี้เกิดการจังแถมศีลรมในใจความละอายต่อบาปก็ไม่ค่อยจะมีหากว่าเกิดเป็นมนุษย์ยากแต่ทำไมวิทยาศาสตร์ทำให้เกิดเป็นคนมาได้เช่นการผสมเทียมเด็กหลอดแก้วจนถึงการอุ้มบุญ คือจิตที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี้มีอยู่สองลักษณะด้วยกันสมุติตายไปปั๊บแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เลยนี่แสดงว่าบุญกับบาปนี้มีกําลังพอกันคือบุญก็ไม่ดึงไปทางสวรรค์ไม่ได้บาปก็ดึงไปทางอาบายไม่ได้พอตายก็กลับมาเกิดใหม่เลยพวกนี้ก็ก็ถือว่าเป็นพวกที่ ยากที่จะเกิดได้เพราะไม่มีใครที่จะทำบุญกับบาปได้เท่ากันส่วนใหญ่เราจะทำบุญกับบาปอย่างใดอย่างหนึ่งไปทางใดทางหนึ่งถ้าบาปมากกว่าบุญเวลาตายไปก็ต้องไปเสียเวลาใช้หนี้ก่อนไปเกิดในอบายก่อนไปใช้หนี้หมดแล้วพอบุญกับบาปมีกำลังเท่ากันแล้วถึงจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เช่นเดียวกับการ ไปสวรรค์หลังจากที่ตายไปแล้วเพราะมีบุญมากกว่าบาป พ, พอไปสวรรค์ไปใช้บุญหมดไปบุญพอบุญลดลงมาเท่ากับบาปก็อยู่ในสวรรค์ไม่ได้ไปอบายก็ไปไม่ได้ก็มาเป็นมนุษย์ใหม่นี่คือเรื่องของการมาเกิดที่การจะมาเกิดเป็นมนุษย์นี่มันมันมันไม่ง่ายเหมือนกับเดรัจฉานเพราะมนุษย์นี่ปีในในชีวิตหนึ่งจะมีลูกสักกี่คนสมัยโบราณก็เยอะหน่อย มีได้เป็นโหลแต่สมัยปัจจุบันนี้ลูกมันราคาแพงก็เกินเลี้ยงแต่ละคนนี่มันหมดเป็นล้างลูกมากจะยากจนไก่อนจงมีพูดนั้นการจะมาเกิดเป็นมนุษย์คิวมันเลยยาวคนหนึ่งนี่เดี๋ยวนี้มีลูกแค่คนเดียวอย่างเมืองจีนเนี่ยะเขาคอยควบคบุมบังคับไม่ให้มีลูกมากจนเกินไปส่วนไอ้ที่ไอ้ทดลองด้วยไอ้เขาเรียกไอ หลอดแก้วนี้มันเป็นเรื่องกรณีพิเศษกรณีไม่ใช่ทั่วไปและยากคนที่จะทำลดหลอดแก้วได้นี่ต้องเสียเงินเสียทองมากั้นไม่ว่าจะคลอดด้วยวิธีใดก็ตามจิตที่อยู่ในภาวะที่จะเป็นมนุษย์ก็จะพร้อมที่จะเข้าม า, ามาเกิดได้แต่จิตเหล่านั้นก็ต้องเข้าคิวกันรอกันไปใช่ไหม เพราะว่าเหมือนกับเราไปสอบเอนทานอาเงี้ยมาอะไรครับรับได้แค่จำนวนหนึ่งคนสอบนี่มีจำนวนหนึ่งคนที่สอบเข้าไม่ได้ก็ต้องรอคิวหรือต้องไปหามหาอะไรที่ด้อยกว่าก็อาจจะไปเป็นอะไรก่อนก็ได้แล้วค่อยพอมีโอกาสที่จะมาได้เป็นมนุษย์ใหม่แต่การเป็นสัตว์นี่มันง่ายกว่าเพราะมีปริมาณมากกว่า อย่างมดนี่มแมลงนี่เป็นไงจำนวนของเขาเขาเกิดกันทีเป็นคอกเป็นฝูงเลยมนุษย์เราในโลกนี้มีแค่ไม่กี่พันล้านคนแต่นับจำนวนสัตว์โดเยเดรวมไปถึงมดมแมลงปลาไส้เดือนไส้หนอนตัวอะไรต่างๆเหล่านี้นกอะไรมันมากกว่ามนุษย์ไม่รู้กี่พันเท่ากี่ล้านเท่า ฉะนั้นการไปเกิดเป็นเดรัจฉานมันมีช่องไปเกิดให้ไปเกิดได้ง่ายกว่าช่องที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยดัยงนั้นก็เหมือนกับมนุษย์ที่จะมาเกิดได้นี่ก็ต้องแข่งขันกันใครมีศีลที่สะอาดกว่าการบริสุทธิ์กว่ากาันก็ได้เกิดก่อนเหมือนกับไปสอบเอ็นทานใครได้คะแนนสูงกว่าก็ได้เข้าก่อนคนที่คะแนนด้อยกว่าก็ต้องรอไปก่อนรอรอบหน้าไป นี่ถึงเรียกว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์นี่มันยากยากกว่าการเกิดเป็นเดรัจฉานมีคําถามอีกข้อส่งมาทางข้อความล่าสุดครับจากคุณป้อมว่านอนสอนง่ายนะครับ <c oughs> การนั่งสมาธิเมื่อได้สมาธิมากแล้วจนได้ญาณแต่การเดินจงกรมจะได้แต่สมาธิไม่ได้ญาณใช่ไหมคำว่าญาณนี่ก็ผิดแล้ว อวัยยานี้แปลว่าความรู้ส่วนที่สมาธินี้เราเรียกว่าฌานการนั่งสมาธินี้เราจะได้ฌานฌานก็มีอยู่สองระดับรูปฌานกับรูปฌานรูปฌานก็มีอยู่4ขั้นรูปฌานก็มีอยู่สี่ขั้นเป็นความละเอียดที่ต่างกันไปยาบละเอียดต่างกันไปฌานขั้นที่หน่ก็จะหยาบกว่าฌานขั้นที่สองขั้นที่สองก็หยาบกว่าขั้นที่สาม ขั้นที่สามก็ยาวกว่าขั้นที่สีจุดหมายปลายทางของการเจริญสติก็เพื่อให้เข้าสู่ขั้นที่สที่เรียกว่าอุเบกขาที่สักแต่ว่ารู้ว่างจากความคิดปรุงแต่งต่างๆอันนี้ส่วนใหญ่จะได้จากการนั่งเพราะมันรวมง่ายกว่าเวลานั่งจิตไม่ต้องใช้ความคิดปรุงแต่งคอยสั่งร่างกายเหมือนกับเวลาเดิน เวลาเดินนี้จิตยังต้องใช้สังขารสัญญาคอยสั่งให้ร่างกายเดินไปเดินกลับไปเดินกลับมาจิตยังต้องทำงานอยู่แต่เวลานั่งเฉยๆนี่จิตไม่ต้องควบคุมไม่ต้องสั่งร่างกายเพียงแต่นั่งดูลมหายใจหรือบริกรรมพุทโธไปจิตก็จะเข้าสู่ฌานที่สี่ได้ง่ายกว่าการเดินจุ ก, กรมนี้ถึงมากจะใช้ในการเจริญปัญญามากกว่า ว่าเวลาเดินจงกรมเราใช้เราต้องใช้สังขารสัญญาความคิดปรุงแต่งพิจน า, าทำต่างๆแล้วก็เดินได้ได้นานกว่านั่งนั่งไปนานๆมันก็จะเจ็บมันก็จะปวดจะเมื่อยเลยกว่าการเดินยันเวลาเข้าสู่ขั้นปัญญาแล้วมกักจะใช้การเดินเป็นการเจริญปัญญาการเดินการยืนด้วยการทำอะไรต่างๆไม่ว่ากำลังทำงานเราอยู่ก็สามารถเจริญปัญญาได้ ส่วนเวลานั่งนี้จะพุ่งไปที่การเข้าเข้าสู่ความสงบเป็นดับยกเว้นในกรณีที่นั่งแล้วเจอทุกขเวทนาตอนนั้นก็ต้องเจริญปัญญาเพื่อปล่อยวางเวทนา พ, พิจารณาให้เห็นว่าเวทนาเป็นอนิจจงทุกขังวนัตตาให้เห็นว่าร่างกายเป็นอนิจจงทุกขังวนัตตาให้เห็นว่าจิตเป็นผู้รู้จิตต้องปล่อยวาง ถ้าอยากให้ร่างกายหรือให้เวทนาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จิตก็จะสร้างความทุกข์ขึ้นมาถ้าสร้างความทุกข์ขึ้นมาก็จะทนนั่งต่อไปไม่ได้แต่ถ้าพิจารณาแล้วปล่อยวางเวทนาได้ปล่อยวางร่างกายได้จิตก็จะหลุดพ้นจากก็เรียกอะไสังโยชน์เบื้องต้นคื อ, อสักกายทิฏฐิจิตจะเห็นว่าร่างกายเวทนานี้ไม่ใช่ตน ปล่อยวางปล่อยให้เ็เป็นไปตามธรรมชาติของเขาร่างกายจะอยู่ก็อยู่ไปร่างกายจะตายก็ตายไปร่างกายจะเจ็บก็ปล่อยให้เจ็บไปร่างกายจะหายเจ็บก็ปล่อยให้มันหายไปตามเรื่องของเขาใจไม่เดือดร้อนเพราะใจสามารถแยกออกจากเวทนาออกจากร่างกายได้ด้วยปัญญาอันนี้ในกรณีที่นั่งแล้ว เ, เกิดความทุกข์ขึ้นมา ถ้าผ่านอันนี้ได้ต่อไปก็จะไม่กลัวความทุกข์ไม่กลัวความเจ็บของร่างกายส่วนความตายก็อาจจงถ้ายังไม่เจอความตายก็ต้องไปหาเหตุการณ์ที่เขยา่าขวัญไปหาเหตุการณ์ที่ท้าทายต่อความเป็นความตายดูดูว่าพิจารณาด้วยปัญญาปล่อยวางได้หรือไม่ว่าร่างกายนี้เป็นเพียงดิมน้ำหนุมไฟไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราถ้าปัญญาพิจารณาได้ปล่อยวางได้ ก็จะไม่กลัวความตายต่อไปนี่คือการใช้ปัญญาและการใช้สมาธิสมาธินี่เป็นฌานส่วนเวลาได้ปัญญานี่เรียกว่าปัญญาณญาณ น, นี้ก็คือความรู้ว่าตอนเองเห็นเห็นตายรักแล้ว <c oughs> เห็นอริยาาสัจสี่แล้วหลุดพ้นจากอานาจของตัณหาแล้วถึงเรียกว่าญาณมีญาณก็คือ เหมือนกับเรียนจบแล้วได้รับปริญญาแล้วอย่าเรียกว่าญาณส่วนชานนี่คือความนิ่งความสงบของใจแต่นี้มันเขียนด้วยชอกระเชยกระยอเย็นมันตีตามไม่ดีมันก็อ่านฌานเป็นยานเห็นยานเป็นชานเห <c oughs> มือนกับ อ, อาวุโสเป็นพันเตพันเตเป็นอาวโสมันได้สับสนกันไปหมด มีใครอยากจะถามอะไรไห ม, ก, มการะมัการอาจารย์ค่ะเพิ่งมากราบเป็นครั้งแรกก็เลยอยากจะกราบเรียนถามเรื่องการมาปฏิบัติธรรมที่นี่ค่ะว่าจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างแล้วก็มีคนฝากมาถามว่าถ้าจะบวชที่นี่ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างค่ะผู้หญิงผู้ชายเออปฏิบัติธรรมนี่ทั้งผู้หญิงผู้ชายส่วนบวชนี่ผู้ชายค่ะคือที่นี่เราไม่มีที่ปฏิบัติธรรม เรามีแต่ที่ฟังเทศฟังธรรมส่วนที่ปฏิบัติธรรมนี่ก็ต้องไปหาตามที่ต่างๆที่วัดญาณก็จะมีส่วนหนึ่งที่จะไปอยู่ได้ที่วัดญาณเขาก็จะให้อยู่ครั้งละไม่เกินเจ็ดวันแต่เป็นที่พักจะมันมันจะเป็นหอพักรวมมันจะไม่ได้เป็นบ้านพักแยกเป็นหลังๆก็อาจจะต้องไปหาที่อื่นที่ป่าไม้นี่เขาก็มีบ้านพักที่พอที่จะ ไปพักได้แต่ก็ต้องไปติดต่อกับทางป่าไม้เขาอีกทีหนึง่งส่วนผู้ชายถ้าจะบวชก็ไปติดต่อกับกุฏิพระที่รับบวชได้เป็นกุฏิหมายเลขสี่จะมีพระคอยรับเรื่องอยู่แล้วเขาจะมีวันบวชให้เป็นเป็นช่วงๆไปก็จะให้บวชทีเดียวพร้อมๆกันบวชหมูก่ก็ต้องไปติดต่อกับพระที่อยู่กุฏิเบอร์สี่ที่วัดยาน ค่สมรติการครับอาจารย์คือผมกลับเรียนถามว่าคืออันนี้พ่อผมฝากมาคือพ่อผมเป็นคนไหว้พระสวดมนต์อยู่เป็นประจําและนั่งสมาธิพอท่านนั่งสมาธิอีกท่านเป็นสมาธิท่านจะมองเห็นท้องฟ้าและมีแสงสว่างส่องลงมาและมีดาวเต็มไปหมดท่านว่าท่านติดอยู่ตรงนี้อยู่เป็นประจําอยู่มาหลายเดือนแล้วท่านว่าท่านแตกฉานเรื่องธรรมะท่านเลยอยากฝากถามาอาจารย์ว่า ท่านต้องปฏิบัติตนอย่างไรถึงจะผ่านจุดนี้ไปได้ครับก็ต้องภาวนาต่อเราใช้วิธีใดภาวนาเราก็ต้องภาวนาต่อไปพอเราไปเห็นท้องฟ้าเห็นดวงดาวก็อย่าไปสนใจถ้าเราพุโทโธก็พุโทโธต่อไปจนกว่าจะไปเห็นความว่างเห็นตัวรู้ถึงจะแล้วมันก็จะหยุดไปเองการภาวนาก็จะหยุดไปเองต้องภาวนาต่อไปจนกว่ามันจะวุบลงไป รูปแล้วมันก็จะนิ่งแล้วมันก็จะสงบแล้วมันก็จะว่างมันก็จะเป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้ถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นก็ต้องภาวนาต่อไปเหมือนกับกินข้าวกินยังไม่อิ่มกินได้ครึ่งท้องแล้วก็เกิดอาการต่างๆในท้องขึ้นมาก็มัวแต่ดูอาการที่อยู่ในท้องไม่สนใจที่จะกินต่อไปมันก็จะไม่อิ่มสักทีคือการนั่งสมาธิยังไปไม่ถึง ก้นบอ่อพูดง่ายๆการไปสมาธินี้ก็เพื่อจะให้จิตตกไปสู่ที่ก้นบอ่อก้นเหวถ้ายังตกไม่ถึงก้นบอ่อก้นเหวมันก็ยังจะไม่สงบเต็มที่มันจะยังไม่มีพลังที่จะออกมาเผชิญต่อกิเลสตัณหาต่อสู้กับกิเลสตัณหาด้วยปัญญาได้แต่ถ้ามันมีพลังแล้วมันออกมา ใช้ปัญญามันจะสามารถทำลายกิเลสปัญหาโมหะอวิชชาได้ดังนั้นต้องภาวนาต่อไปเวลาเห็นดาวเห็นเดือนเห็นอะไรก็ตามอย่าไปสนใจเราพุโทโธก็พุโทโธต่อไปดูลมก็ดูลมต่อไปอย่าให้สิ่งเหล่านี้มาทําให้เราคล้อยเขวะลืมภาวนาไปถ้าเราไม่ภาวนาเราก็จะติดอยู่ตรงนั้น วันนี้ก็ดีหมดปัญหาะ <c oughs> จะได้จบงานเสร็จงานเสร็จธุระของเราเราจะได้ไปพักผ่อนหลับนอนได้ท่านอาารย์ดีคณะของที่จะเป็นเพียนกับที่จะของสาหรับที่จะกระถิ่นค่ะของวัดข้างล่างนะะมืนที่เคยทําทุกปีเอ่าก็รับอ่ก็รับไว้แล้วล อ, น, อนุวนัฒนะแต่ก็ะถนี่เราไม่แน่นะบางทีก็ลงบางทีก็ไม่ลง แล้วแต่ว่าอมีพระอาวุโสมารับหรือไม่ถ้ามีพระอาวุโสรับก็เราก็ไม่ต้องลงถ้าไม่มีพระอาวุโสเราก็ต้องลงเพราะว่าเป็นกฐินหลวงต้องมีพัดยศไปกล่าวคํำถวายอธิเลกถ้ามีพระอาวุโสกว่าท่านก็จะมีพัดยศมาเราก็ไม่ต้องลงแต่ถ้าไม่มีพระอาวุโสกว่าเราก็ต้องลงไป เอาพัยดยศไปก่าวอดิเลยแต่เรื่องกระถิ่นนี่เราไม่ได้เป็นผู้รับแล้วเรามอบให้กับพระที่ท่านหลองพระลำดับลองลงไปให้ท่านมีหน้ามีตาบ้างเรามีหน้ามีตาคนเดียวมานานแล้วปล่อยให้คนอื่นเขามีหน้ามีตาบ้างก็เลยไม่รับกรถิ่น ตักบาตรเทโวก็ยังเดินนําใช่ไหมครับก็ยังเดินอยู่เดินอยู่ตักบาตรเทโวก็จะเป็นวันพระไม่ใช่วันแรมหนึ่งค่ำปกติตามธรรมเนียมแล้วก็จะตักวันแรมหนึ่งค่ำคือวันพระนี่สิบห้าค่ำยังไม่เป็นวันออกพรรษาเป็นวันสุดท้ายของพรรษาวันออกพรรษานี่ต้องเป็นวันแรมหนึ่งค่ำคือคือเขาจะเหมือนกับว่าทําตามประเพณี ที่เขาเชื่อกันมาว่าพระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปสวรรค์จำพรรษาอยู่ในสวรรค์สามเดือนพอออกพรรษาแล้วก็เสด็จลงมาจากสวรรค์วันออกพรรษาก็เป็นวันแรมหนึ่งค่เขาจึงนิยมใส่บาตในวันแรมหนึ่งค่ำกันแต่ที่วัดยา น, นี้เป็นวัดที่มาสร้างทีหลังวัดอื่นเขาแล้วมีความที่มีคนชอบมาใส่บาต ท, ที่นี่กันมาก ถ้าใบตักบาทตรงกับวัดอื่นเข้าเขาก็เลยไม่รู้ว่าจะไปวัดไหนดี <c oughs> รักพี่เสียดายนอ <c oughs> ้องเป็นวัดที่เขาอยู่ใกล้บ้านเขาก็ต้องไปทำเพราะเป็นที่เผาผีเขา <c oughs> แต่วัดยานี่เป็นวัดที่เขามีความศรัทธาอยากจะมาทำบุญเคยจัดวันเดียวกันแล้วก็มาบ่นกันว่าไม่สามารถไปทั้งสองวัดได้ก็เลยกลับมาจัดวัน วันพระแทนก็จะต่างกับวัดทั่วๆไปวัดทั่วๆไปจะจัดวันแรมหนึ่งค่ำส่วนวัดยาเนี่ยก็จะจัดวันขึ้นสิบห้าค่ำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เหมือนกันใส่บาทวันนี้กับใส่บาทวันออกเทออกภาษาก็ได้บุญเท่ากันอย่าไปคิดว่ามันต่างกันตไหต่างตรงที่ใส่นาคใส่มากหรือใส่น้อย <c oughs> ถ้า อ, อยากจะได้มากก ok the ็ใส่มันมากๆอยาได้น้อยก็ใส่น้อยไม่ใช่ไปเลือกวันว่าต้องเป you <tv> ็นว <of> ันวิสาขะวันมาฆะวันออกพรรษาถึงจะได้บุญมากมันไม่มากหรอกมากน้อยอยู่ที่คลั่กระเป๋ามากหรือน้อยคั่น้อยก็ได้น้อยเก้าสิบห้าคำนไม่ใช่แลมหนึ่งคำแลมหนึ่งคำไปมันออกพรรษา เ, เกาเยมมันออกภาษาวันที่เก้ามอันนี้มันงท่านจะาท่านขอที่หมูค่คณะเอามาก็ไม่ได้เจาตวัวเาเป็นกะถิ่นแล้วแต่นั่นจะที่เ อ, อ่าก็เป็นของสงไปให้สองพระที่อยู่บนเขาได้แบ่งกันใช้ใชใชไปนั่นเอง่แต่ถวายเนื่องในวาระเขาท อ, อนกระถินเท่านั้นเองเอแต่ไม่ได้เป็นบริวารกระถิ่น ก็จะกำหนดวันบวชให้กับคุณอเล็กในช่วงกะจะบวชในช่วงอาทิตย์สุดท้ายของเดือนธันวาเพราะบิดามารดาเขาจะมาเยี่ยมพอดีแต่บอกเขาก็้อยล่วงหน้าก่อนว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นกับวันมากจเกินไปเพราะว่าไม่รู้ว่าถึงเวลานั้นจะมีอุปสรรคมีอะไรหรือไม่ไม่อยากจะให้เขาสร้างความหวังไว้แต่เพียงแต่บอกเขาว่าเราจะพยายาม จัดวันบวชให้ในช่วงที่บิดามารดาเขามาเยี่ยมส่วนจะได้หรือไม่ได้นี้ก็รอดูไปเพราะพอดีเป็นช่วงที่ทางบ้านเขาหยุดเทศกาลศกล้จนะช่วงยี่สิบไปแล้วมังเห็นบอกจะมาก็เห็นบอกว่าพวกเราอยากจะเป็นเจ้าภาพ <c oughs> เราเราก็บอกเขาไปแล้วว่าอยากจะเป็นเจ้าภาพเขาก็บอกว่ามีคนนู้นคนนี้ก็อยากแล้วบอกก็ร่วมกันก็ร่วมกัน <c oughs> จะได้เพ่มเป็นไม่จําเป็นจะต้องมีเจ้าเดียวใครอยากจะร่วมก็มาร่วมกันได้และบวชนี่ก็ยังไม่รู้ว่าจะบวชที่ที่วัดยานหรือต้องไปบวชที่วัดพระามเก้าเพราะคราวที่แล้วบวชพระเยอรมนันนี้ต้องไปบวชที่วัดพระามเก้า พราะพระอุปชาที่วัดนี้ท่านไม่บวชชาวต่างประเทศให้ mm hmm. ท่านบอกว่าท่านพูดภาษาต่างประเทศไม่เป็น mm hmm. ไม่สามารถที่จะสั่งสอนได้ mm hmm. ก็เลยไม่บวชให้ mm hmm. ก็เลยไปขอให้พระเจ้าวัตที่วัดป ร, ราณิก้าท่านก็เมตตาบวชให้ mm hmm. เมื่อคราวที่แล้วที่ท่านมาก็กราบเรียนให้ท่านทราบว่ามีชาวต่างประเทศอสองรูปที่จะบวช ท่านก็บอกว่าถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็พาไปพบท่านได้ก็คิดว่าอาจจะไปบวชที่นั่นอันนี้ยังไม่มีอะไรแน่นอนตายตัวนะถึงเวลาก็รู้เองบวชที่ไหนวันไหนเมื่อไหร่มัน <ś led> ทุกอย่างมันอันิจังมันไม่แน่นอนเหร อ, เ, อเราอย่าไปผูกใจไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งวันใดวันหนึ่ง เดี๋ยวมันไม่เป็น่ังที่เราคิดไว้แล้วก็จะเกิดอารมณ์เสียขึ้นมาได้แต่ถ้าเราทำแบบสันโดยินดีตามมีตามโกรเมื่อไรจะเกิดก็เกิดเมื่อนั้ น, นถ้ายังไม่เกิดก็ไม่เกิดไม่เป็นไรก็เพีงยงแต่แจ้งให้ทราบไว้กาคิดว่าคงจะไม่มีอะไรที่จะพูดอีกแล้ว ก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาธรรมที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปเทิญ